พึงพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจดวงเดียวนี่แหละที่เราจะต้องรักษาเอาไม่รักษาใจดวงนี้แล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปรักษาอะไรดีชั่วมันอยู่ที่ใจทุกข์ขอยู่ที่ใจ พใจเป็นผู้รับรู้ใจเป็นผู้ปรุงเป็นผู้แต่งขึ้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้เข้ามาที่ใจเละคําสอนทุกอย่างทุกบททุกบทด้วนแต่ชี้เข้ามาที่ใจในี้ทั้งนั้นแหละ ไม่ได้ที่ไปในที่อื่นเลยเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่ใจการที่พระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีแต่และพระองค์นานแสนนานก็เพื่อใจดวงเดียวนี้ แล้วเมื่อผู้อื่นได้รับทุกข์ทนทรมานพระองค์ก็จึงช่วยพระองค์รู้หนทางแก้ทุกข์ได้โดยพระองค์แล้วพระองค์ก็ช่วยผู้อื่นด้วยก็เป็นเช่นนี้เลยเรื่องของศาสนาเนี่ย มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับดวงิจตรวงนี้โดยตรงอย่าไปสงสัยผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่เบื่อหน่ายต่อศาสนายินดีปฏิบัติตามเขาผู้ใดเบื่อหน่ายต่อ คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเท่ากับเบื่อนหน่ายต่อความสุขเท่ากับว่าไปชอบกับความทุกข์เนื่องจากว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอุบายฝึ ก, กจิตใจให้ได้รับความสุขความสงบ ส่วนี่เลสตัณหาอันมันจิตนี้สะสมมาในสงสารนี้นั้นมันมีแต่บันดาลให้จิตนี้ได้เสวยทุกขวเวทนาต่างๆซึ่งมันตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้า มันเลยให้พากันคิดให้มันเห็นว่าดวงจิตดวงเนี้ยเมื่อมันยังไม่มีปัญญายังไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะมันโง่มันไม่ฉลาดไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะถอนตนออกจากกองทุกข์ไปได้ ต้องได้สวยทุกทนมทรมานไปในสงสารอย่างนั้นแหละเพราะมันเมื่อมันไม่ฉลาดแล้วก็มันไปทำในสิ่งที่เป็นไปเพื่อทุกมันไม่รู้มันไม่รู้อ่มันถึงได้ทำลงไปอย่างนี้แหละเช่นอย่างไปเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะ มึงก็ทําไปโดยที่มันไม่รู้นัเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะนําไปสู่ทุกข์การกระทาอย่างนี้นะมันไม่รู้มันจึงได้ทําลงไปการไปรักทรัพย์ไปถือเอาสิ่งของของผู้อื่นะเป็นของตนโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตก็ดีการไปประพฤติ ผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีภรรยาของคนอื่นก็ดีการกล่าวเท็จกล่าวคำไม่จริงเป็นการหลอกลวงคนอื่นให้หลงเข้าใจผิดไปการดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆโมนี่บุคคลซ่องเสพลงไป ร่วนแต่มันไม่รู้ชัดโดยปัญญาว่าการกระทำเหล่านี้นะมันเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษมันไม่รู้แจ้งโดยปัญญาถึงแม้ว่าจะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็าตามเมื่อผูใ้ใดไม่ทำความเพียรทางใจไม่น้อมเข้ามาพิจารณา ภายในใจนี่จริงจังแล้วถึงแม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นโทษของโทษต่างๆเหล่านี้เหตุนั้นคนเรามันจึงทำในสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อทุกข์อย่างหน้าตาเฉยไม่สะดุ้งกลัวต่อการกระทำนี่มันจะนำตนไปสู่ทุกข์ ถ้าเป็นนักบวชอันนี้ก็ล่วงทำล่วงวิตในยอย่างหน้าตาเฉยไม่สะดุ้งกลัวต่อความทุกข์ความเดือดร้อนมันจะติดตามมาในภายหลังดังนั้น่ะในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรง แสดงไว้ว่าคนเราน่มันมีกรรมเป็นของตตนนะผู้ใดทากรรมอันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นกรรมกับกิเลสนะมันมาเป็นคู่กันเลยกรรมแปลว่าการกระทากิเลสแปลว่าสิ่งที่ทําใจให้เศร้าหมองขุนมัว ถ้าไปทําสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์มันก็เลยกลายเป็นอกุศลกรรมไปออกุศลกรรมมันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเรียกว่ากิเลสฝ่ายชั่วมันก็ทําใจให้มัวหมอง อย่างนี้นะี่ะถ้าทำดีถ้าเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นหรือเว้นจากการเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของผู้อื่นก็ดีมีแต่ทางให้ทางเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นไปมีแต่ทางช่วยเหลือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ถึงซึ่งความพิบัติ ให้รอดพ้นจากความตายไปอะไรโมนีนะ้การกระทํามนีมันก็ล้วนแต่เป็นกุศลธรรมแปลว่าเป็นการกระทําของบุคคลผู้ฉล า, าดไม่ใช่เป็นการกระทําของบุคคลผู้ไม่ฉล า, าดคําว่ากุศลนี่นก็แปลว่าความฉล า, าดนั่นแหละ ใครฉลาดวันนี้ก็ใจนั่นแหละฉลาดมันรู้จักว่าสิ่งนี้มันจะนําทุกขมาให้มันก็ไม่บังคับกายวาจาให้ทําให้พูดเมื่อมันรู้ชัดว่าทําอย่างนี้พูดอย่างนี้มันไม่เป็นไปเพื่อทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นเช่นนี้ มันก็จึงใช้กายทำใช้วาจาพูดออกไปเนี่ยคำว่ากุศลนะหมายถึงใจที่ฉลาดเลือกทำเลือกพูดแต่การแต่งงานแต่เรื่องที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยการการบำเพ็ญกุศลให้พากันเข้าใจการทำใจให้สงบลงไป เป็นนึ่งลงก็เรียกว่าบำเพ็ญกุศลธรรมการเจริญปัญญายกธาตุสี่ขันธ์ห้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงแล้วเกิดความสังเวชเบื่อหน่ายคลายความยึดความถือในขันธ์ห้านีว่าเป็นตัวเป็นตน อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบําเพ็ญกุศลทำขั้นสูงขึ้นไปโดยลําดับเนี่ยการกระทาที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้นั่นล้วนจะเป็นการบําเพ็ญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนทั้งนั้นแหละอย่าเกียร์คลานถ้าผูใ้ใดเกียร์คลานแล้วผู้นั้น ก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนเมื่อจิตใจไม่ฝักไฟไปในทางบุญกุศลนี่แล้วมันก็ย่อมฝักไฟไปในทางอากุศลเป็นธรรมดาใจของผูุ้ชนนะจะให้มันอยู่เฉยๆไปนั้นไม่ได้ เพราะมันมีกิเลสคอยส่งเสริมให้จิตใจน้อมไปในทางอากุศลอยู่แต่ที่มันไม่น้อมไปเพราะว่าใจมันยินดีฝักใฝ่ในกุศลธรรมอยู่เหตุด้านกิเลส จ, จึงไม่มีอํานาจที่จะมาจูงใจให้น้อมไปในทางอากุศลดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้ทำความยินดีพอใจในกุศลธรรมให้มากอย่าประมาท ถ, ถ้าประมาทแล้วสักหน่อยใจมันก็ตกไปในทางอากุศลถ้าไม่ประมาทแล้วก็จะมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่วยว่าเจริญด้วยบุญด้วยกุศลนี่แหละ ถ้ารักษาใจดวงเดียวนี้ได้ไม่ให้มันตกไปในทางกุศลแล้วมันก็มีแต่จะคิดบำเพ็ญกุศลผลบุญต่างๆให้ยิ่งขึ้นไปไเรืนะ่อยๆนะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างบุคคลเดินทางเมื่อได้ศึกษาดูแน่นอนแล้วว่าทางนี้เป็นทางถูกต้อง ตามจุดหมายที่เราจะต้องไปจริงๆเราเดินตามทางนี้แล้วไม่ผิดแน่นอนอย่างนี้เมื่อรู้ชัดโดยใจอย่างนี้แล้วมันก็ตั้งหน้าเดินทา ง, ทางไปตามทางสายนั้นอย่างไม่สงสัยลังเลเลยเมื่อตั้งหน้าตั้งตาเดินไปโดยตรงเลยอย่างนี้มันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ โดยเร็วแต่ถ้าสงสัยลังเลอยู่เอ๊ะใช่หรือไม่นออย่างนี้หยุดหยุดเดินเดินมันก็นานถึงอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นเลยเพราะธรรมคำสอนของพระุตเจ้าได้ชื่อว่าเป็นหนทางของจิตที่จะต้องดำเนินตามแต่ที่นี้พระองค์เจ้า จะ แ, แสดงไว้ทั้งทางผิดและทางถูกถ้าบุคคลใดไม่ศึกษาให้รู้ทั้งทางผิดทางถูกเ่นีบางทีมันก็น้อมใจไปในทางผิดก็ได้เพราะมันไม่ไม่รู้นี่ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วก็ตามแต่ผู้นั้นไม่ศึกษามันก็ไม่รู้ ดังนั้นเนี่ยการศึกษาเร่าเรียนนี่นะมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนเราแต่ละคนนะไม่ใช่นั้นแล้วบางทีก็อาจจะเดินทางผิดก็ได้เนื่องจากไม่รู้นะ่ะแน่นอนแหละเช่นเช่นไม่รู้จักทุกอย่างนี้นะ ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ไม่รู้จักทุกข์มันก็ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ไม่พยายามละเหตุให้เกิดทุกข์นั้นที่ตนสะสมมาแต่อเนกชาติก็ไม่ภาคเพียรพยายามละเหตุอันนั้นมีแต่สะสมเหตุแห่งทุกข์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป คนไม่รู้อ่ะอย่างนี้แหละแล้วเมื่อไม่รู้จักที่ดับทุกข์ก็ดับทุกข์ไม่ได้ไม่ทราบว่าดับทุกข์นี้ดับตรงไหนหนอนี่ลังเลสงสัยอยู่อย่างนั้นมันก็ดับทุกข์ไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ว่าทางนี้เป็นทางดับทุกข์อย่างนี้นะก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วมันก็ไม่ดําเนินตามทางนั้นนีนะ่การรักษาสินให้บริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นทางดับทุกข์คนไม่ศึกษาให้รู้แน่นอนแล้วก็ท้อใจไม่อยากรักษาศิน เพราะถ้าว่าไปรักษาศีลแล้วก็จะไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพสะดวกเพราะอาชีพน n ึงมันถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปู่ตายาโทษนัดการฆ่าสัตว์ชีวิตมาเลี้ยงชีพนี่มันถ่ายทอดกันมาไม่รู้ว่าจะไปหาอย่างไรเมื่องดเว้นเส็แล้ว มันก็เลยท้อใจไม่สนใจจะรักษาสินให้บริสุทธิ์แล้ววะ น, นี้ห่วงแต่ปากห่วงแต่ท้องอันนี้อืไม่ห่วงดวงกิจที่จะได้ไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกหน้าหลังจากละโลกนี้ไปแล้วไม่ห่วงดวงกิจนี้เลยคนส่วนมากห่วงแต่ปากแต่ท้องนี้แหละ เกดท่านถึงไม่กล้ารักษาสินกลัวอดกลัวร่างกายนี่มันจะไม่มีปัจจัยมาบำรุงรักษามันนี่เรียกว่าบุคคลไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์ไม่รู้จักทางผิดโดยเยี่มแจ้งด้วยปัญญา เพราะฉะนั้นมันจึงได้เดินไปตามทางที่ผิดนั้นนะเพราะเรื่องอย่างนี้มันต้องขึ้นอยู่กับปัญญาถ้าใครไม่มีปัญญาแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆดังนั้นในมักมีองค์แปดประการนึงพระองค์จึงเริ่มสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบขึ้นก่อนมักอื่นๆเลยปรเดียว สังนี้ก็เพราะว่าอันบุคคลจะรู้จักทุกข์ได้ก็เพราะมาอบรมจิตที่ให้สงบลงแล้วก็ปัญญามันจะเกิดขึ้นจะมองเห็นชาติความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นทุกข์ด้วยปัญญาจริงๆไม่ใช่เห็นตามธรรมดาเฉยๆเห็นด้วยปัญญา อย่างนี้แต่มันถึงเบื่อหน่ายในทุกข <c oughs> เหตุให้เกิดทุกข์ก็เหมือนกันเนมื่อบุคคลไม่มีปัญญาก็จะไม่เห็นโทษแห่งตัณหาตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากของดวงกิจเนี่ย เมื่อมันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่น้อมสติเข้าภายในไม่มาเพ่งอยู่ภายในแล้วมันก็ไม่เห็นโทษแห่งตัณหาจิตนี่มันอยากได้อะไรต่ออะไรก็ไม่ไม่รู้เลยว่าความอยากอันนั้นอ่ะมันให้โทษหรือให้คุณมันควรอยากหรือไม่ควรอยากอย่างนี้ไม่รู้เลย ปล่อยให้มันอยากเลื่อยเปืี่ยไปอย่างนั้นนะเพราะว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่อย่างว่านั่นแหละเมื่อใจไม่ฉลาดแล้วมันก็รู้อำนาจแก่ความอยากแล้ววนันนี้มันอยากไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษอมันก็ใช้ากายวาจาทำไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้อะ อของกายและวาจานี่เป็นแต่ผู้คอยรับใช้ใจอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้ามีลำพังแต่กายวาใจเาถยใจไม่มีแล้วโอ้มันทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้นั่นลองสังเกตดูให้ดีดังนั้นนะการฟัง คำสอของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาอีกบอ่อหนึ่งคนแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นใหม่ๆคนเหล่านั้นจะได้มีปัญญาที่ไหนยังไม่มีปัญญาที่จะละบาปละโทษต่างๆนี่ ต่อเมื่อได้มาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปมันนึงได้เกิดปัญญาขึ้นเห็นแจ้งในใจว่าโอการทำการพูดอย่างนี้ที่เราเคยทำมาแต่ก่อนนั้นมันเป็นบาปเป็นโทษตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไวน้นี้แต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นบาปเป็นโทษเมื่อท่านเหล่านั้นได้ฟัง ได้รู้ชัดขึ้นด้วยปัญญาแล้วมันก็ละบาปได้งดเว้นบาปได้เลยไม่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งหมดไม่มีข้อแม่ว่ากลัวจะอดกลัวจะลำบากขาดเคินอะไรต่ออะไรต่อไปไม่ไม่มีกลัวแล้วเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ละบาปนั่นได้ มันก็มายากอยู่กับเรื่องบาปนี่เนะี่ยคนเรานี่นะลองคิดดูให้ดีถ้าผู้ใดละบาปได้แล้วมันก็ทำแต่ความดีไปเรื่อยๆมันก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นักบานี้นั่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหายุ่งยากเท่าไหร่การที่บุคคลมาละบาปได้แล้ว มันก็ก้มหน้าทำแต่ความดีไปอย่างว่าพูดถึงว่าผู้ครองเรือนอย่างนี้อา้าวถ้าเป็นชาวนาก็ตั้งใจทำนาถ้าหาว่าต้องใช้บัวใช้ควายหลากขาดหลากไทยก็รู้จักประมาณในการใช้ไม่ทรมานสัตว์ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเกินไป อย่างนี้แหละให้รู้จักเลี้ยงดูฟูเสือมันให้อิ่มน้ำสำราญอย่าไปทรมานให้มันอดมันอยากเช่นนี้มันก็ไม่เป็นกรรมเวนเวรหรอกเกี่ยวกับใช้สัตว์พาหาหน่าต่างๆก็เรียกว่าเป็นการงานที่ทำกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ครั้งพรยเจ้าก็ทำนานี่อย่าเป็นพื้นนะ อาศัยวัวควายนี่เนี่ยลากคาดลากไถข้อวิทยาศาสตร์สมัยนั้นก็ยังไม่เจริญถึงขั้นที่จะต้องใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เป็นเครื่องทุ่นแรงเหมือนสมัยปัจจุบันยังไม่มีแต่ท่านเหล่านั้นท่านก็เมื่อรู้ทําแล้วท่านก็รู้จักใช้ยอย่างว่านั้นเน่ยรู้จักธนุถนอม ทรัพยากรของตอนมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมทำนาได้ข้าวมาแล้วก็เอามาบริจาคทานบ้างกินบ้างขายบ้างอะไรหมดนี่นะมันก็ได้บุญได้กุศลอ้าวทำสวนยางนี้ก็ทำโดยสุจริตใจไม่ไปแย่งเอาที่ ดินของใครมาเป็นสมบัติของตนหาจับจองเอาดินที่ไม่มีเจ้าของนั้นแล้วทำลงไปได้ผลมากหลากไม้มาแล้วก็กินบ้างทานบ้างก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมู่นี้นะลองคิดดูแม้ทำการค้าการขายก็เหมือนกันนะหากว่า ไม่โลภมากโลภาเอากำไรแต่พอประมาณอย่างนี้นี่มันก็ไม่เกิดบาปเกิดโทษอะไรเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วก็แบ่งใช้สอยบำรุงครอบครัวบ้งางทำบุญให้ทานบ้างเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลบ้างนี่การงานต่งตางๆเมื่อเราทำโดยสุจริตแล้วมันด้วย มันให้สำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันด้วยให้สำเร็จประโยชน์ในชาติหน้าต่อไปด้วยเหตุนั้นในมัสมีองค์แปดประการนั้นพระศาสดาจึงจัดสัมมากัมมันโตการทำการงานที่ชอบนี่เข้าในองค์มัชเรียกว่าเป็นหนทางพ้นทุกสายหนึ่งสัมสมาอาชีว การเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบด้วยสิน้วยธรรมโดยกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้อ่มันก็เป็นทางออกจากทุกข์อีกสายหนึ่งอืแต่ถ้าไปเลี้ยงชีพในทางทุจริตผิดสินผิดธรรมผิ ด, ดกฎหมายบ้านเมืองแล้วมันก็เป็นทางไปสู่ทุกข์กลวงกันข้ามอย่างนี้นะนั่นเอง การกล่าววาจานี่ก็สําคัญไม่น้อยก็องค์ก็จัดเข้าในองค์มักอีกเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าการกล่าววาจานี่มันก็ขึ้นมาขึ้นอยู่กับใจอย่างว่านั้นอีกแหละเอาใจเป็นประมาณนะถ้าใจฉลาดการพูดการจามันก็ฉลาดเอไม่มีโทษมันรู้จักนี่ถ้าใจเป็นฉลาดแล้ว รู้จั ก, กว่าเรื่องนี้ควรพูดพูดแล้วไม่มีโทษเรื่องนี้ไม่ควรพูดพูดแล้วเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษมันก็รู้เมื่อมันรู้แล้วก็ไม่พูดละในทางที่จะเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นเนี่ว่าอะไรอะไรมันก็รวมลงที่ใจลงเดียวนี่นะ ถ้าฝึกใจนี้ให้ฉลาดซะแล้วมันก็ไม่ขัดข้องอะไรนะชีวิตนี้นะมันก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นเลยทางใดจะเป็นไปเพื่อทุกมัก็รู้แลวเวน้นไม่ทำไม่พูดไม่คิดไปในทางนั้นเอาทางใดจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ มันก็ทำก็พูดไปในทางนั้นน่ยาการที่เรามาศึกษาเรื่องศาสนานี่ก็มามาศึกษาให้รู้จากทางทางดำเนินของชีวิตนี่แหละเราจะดาเนินไปทางไหนมันจึงจะเป็นสุขมันจึงจะพ้นจากทุกข์นี่เมื่อเรามาศึกษาให้รู้อย่างนี้แล้ว มันก็ดำเนินตามไปมก็เกิดปัญญาขึ้นเมื่อเกิดปัญญาขึ้นแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันก็ดับทุกทางใจได้ด้วยอุบายปัญญานั้นๆมาสอนจิตให้ละตัณหาความทะเยอทยานอยากอันไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆ แล้วนั่นตลอดสอนจิตให้ปรุงให้วางขันห้าอันนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเมื่อวางได้จิตก็มีความสุขสบายมีอิสระเสรีดับทุกขได้เพราะวางขันห้าดังแสดงมา